4. ธาตุกรรมฐานวงเล็บเปิด10มีนาคม2550ในวงเล็บ 2. จุดจุดนาที12วงเล็บปิดใครอยากเรียนวิธีปฏิบัติยากๆ ก, ก็ได้นะเรียนาธาตุกรรมฐานเรียนาธาตุกรรมฐานต้องรู้ก่อนว่ า, าธาตุดินน้ำไฟลมที่ประกอบเป็นกายของเราเนี่ยาธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรู้ด้วยกายาธาตุน้ำรู้ด้วยใจ ถ้าพวกนี้เริ่มยุ่งแล้วเห็นไหมหลวงพ่อบอกว่าใครอยากเรียนยากๆ ก, ก็ฟังนะใครไม่อยากเรียนยากก็ลืมๆซะพวกเรามีหลายประเภทบางคนอยากเรียนยากก็เอาธาตุดินน้ำไฟลมต้องรู้ว่าธาตุอะไรรู้ด้วยอะไรเราลองมาเรียนรู้ธาตุดินซึ่งรู้ด้วยกายเอามือมาลองจับลงไปลองลูบลงไปรู้สึกไหมมันแข็งๆความรู้สึกที่แข็งๆนี่แหละธาตุดินรู้สึกไหมที่มันแข็งๆเนี่ย มันไม่เคยบอกเราเลยว่ามันคือตัวเรารู้สึกไหมมันไม่ได้บอกสังเกตไหมเราจับลงไปสัมผัสได้ความแข็งของมันนอกจากความแข็งเ e ห yes. ็นไหมว่ามันอุ่นนี่เป็นธาตุไฟธาตุไฟยังไม่คงที่เลยจะเห็นว่ามันอุ่นไม่เท่ากันในแต่ละที่ที่เราสัมผัสสังเกตไหมว่าความร้อนความแข็งไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราลองลูบไปทั้งตัวนะดูสิตรงไหนที่บอกว่าเป็นตัวเราไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าเป็นตัวเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจนะการเรียนาธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ว่ า, าธาตุอะไรรู้ด้วยอะไราธาตุลมดูยากอย่างเราขยับมือเนี่ยถ้าจิตเราทรงฌานจริงๆพอขยับเราจะรู้เลยว่ามีแรงดันที่ทำให้ไหวนี่เรียกว่ า, าธาตุลมไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกเป็นาธาตุลมนะเห็นไหมว่ายากาธาตุน้ารู้ด้วยใจคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่ทาให้สิ่งทั้งหลายรวมตัวกันได้ น้ำเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานให้ธาตุทั้งหลายรวมตัวเข้าด้วยกันดังนั้นจะเรียนาธาตุกรรมฐานนี่ยากนะคนที่จะเรียนาธาตุกรรมฐานได้ดีๆต้องทําสมาธิมาเยอะๆหน่อยให้รู้ลงไปนะว่าไม่มีเรามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปรกราบหลวงปู่สิมตอนนั้นเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาเขาคัดเลือกพวกว่าที่อธิบดีทั้งหลายไปเรียนหลวงพ่อเด็กเป็นที่สองของรุ่นนะไปถึงหลวงพ่อไปนั่งขัดสมาธิเพชรคนนั่งต้องใจถึงจริงๆนะ พอนั่งแล้วแกะขาออกไม่ค่อยได้แล้วมันจะสามาคีกันอยู่อย่างนั้นแหละนั่งแล้วคนที่ไม่เคยนั่งจะปวดสุดๆเลยท่านพาขัดเพชรท่านบอกต้องใจเด็ดนะภาวนาเสร็จแล้วท่านก็เทศไปชั่วโมงหนึ่งโยมที่ไปด้วยก็ค่อยๆถอยหนีไปทีละคนสองคนนะหรือหลุงพ่อกับโยมอีกคนหนึ่งเพราท่านเทศได้ชั่วโมงกว่าๆ ก, ก็บอกว่าวันนี้พอแล้วแล้วท่านก็ถามเป็นไงนั่งขัดเพชรเมื่อยไหม โยมอีกคนก็ตอบว่าเมื่อยนี่ถ้าไม่เคารพหลวงปู่ไม่นั่งหรอกหลวงปู่ก็ถามขามันบอกไหมว่ามันเมื่อยมันเป็นธาตุไม่เคยบ่นว่าเมื่อยมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราโยมคนนั้นก็ตอบว่าเมื่อยจริงๆครับหลวงปู่ผมไม่โกหกหรอกหลวงปู่ก็ยิ้มนี่แสดงให้เห็นว่าธาตุกรรมฐานนี่ดูยากต้องดูความเป็นธาตุของมันเราจะรู้สึกตลอดเลยว่ามันคือตัวเราไม่เห็นว่าเป็นก้อนธาตุจะรู้สึกห่วงแหวนรักมากเป็นตัวเรามาก อะไรมาเกี่ยวมานิดหนึ่งนะก็กลุ้มใจเดือดร้อนตีนกาขึ้นหน่อยก็กลุ้มใจแล้วใช่ไหมพอขึ้นรอยแรกก็รู้สึกทรมานใจรอยที่สองก็ยังทรมานใจมากพอรอยที่ยี่สิบก็รู้สึกเฉยๆว่ารั้งไม่อยู่แล้วนี่เรามาดูเห็นกายมันเป็นก้อนธาตุเห็นกายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ยังรู้อิรยาบทสี่ก็เห็นกายมีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็พลิกไปพลิกมายืนอยู่ก็ทุกข์เดินนานๆก็เมื่อยนอนอยู่ยังเมื่อยเลยต้องนอนพลิกไปพลิกมา ฉะนั้นมันลำบากตลอดเวลาถ้ารู้ลงในกายเห็นอริยาบทสี่จะเห็นมันเป็นทุกข์ล้นล้วนเลยฉะนั้นเราจะต้องคอยถอดถอนออกไปความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นของเที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงหรอกมันทนอยู่ไม่ได้มีความทุกข์บีบคั้นมันไม่ใช่ตัวสุขมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใครจะทําธาตุกรรมาฐานหรือจะดูกายก็ต้องดูลงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปดูกายแล้วก็เพ่งอยู่ที่กายหรือเดินจงกรมก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้าแล้วก็นิ่ง อย่างนี้ได้สมถะเกือบทั้งหมดที่ปฏิบัติคือสมถะเกือบทุกคนที่ทําอยู่ดังนั้นไม่บรรลุมรกผลอะไรทําตั้งนานไม่ละกิเลสนะละไม่ได้เพราะไม่ใช่วิปัสนาแท้ๆเป็นวิปัสนาแต่ชื่อไปที่ไหนก็บอกทํำวิปัสนาทํำวิปัสนาจริงๆไม่ใช่หรอกอยังเดินจงกรมก็รู้สึกตัวเบาวิวขึ้นมารู้สึกเหมือนเท้าจะไม่ติดพื้นบางคนลอยจริงๆนะนี่เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยไม่ใช่วิปัสนา